สิกขาบทที่3เรื่องพระชพรกี598สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชพรกีเดินคลุมศีษะไปในละแวกบ้านพระบัญญัติ 3. พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่เดินคลุมศีรษะไปในละแวกบ้านเรื่องพระชพกีจบ สิกขาบทวิพังพิกษูไม่พึงเดินคลุมศีสับไปในละแวกบ้านพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อเดินคลุมสีสับไปในละแวกบ้านต้องอบัติทุบกดอนาปฏิวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ1นพิกษูไม่จงใจ2อพิกษูไม่มีสติ3าพิกษุผู้ไม่รู้4ีพิกษูผู้เป็นไข้5้พิกษูผู้มีเหตุขัดข้อง6กพิกษูวิกลจริต7จพิกษูต้นบัญญัติสิกขาบทที่3จบ